ปัญจาหะปฏิชนะปริวาสว่าด้วยปริวาสสำหรับอาบัตปิดไว้ห้าวันสมัยนั้นพระอุทายีต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกกวิสัตถิปิดไว้สองวันปิดไว้สามวันปิดไว้สี่วันปิดไว้ห้าวันแล้วบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่า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 สัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิปิดไว้ห้าวันแก่ภิกษุอุทายี